แล้วก็เห็นไปไหนก็ไม่รู้แหละนี่พอได้เรื่องในลาบเราช่วยภาษากรรมมาไปก็ไปแบบนั้นนะ่ะไม่พอเป็นหน้าเป็นหลังอะไรปีนี้ไม่ราบเนะี่ยให้คนอื่นได้อยู่บ้างสิเราอยู่มามากแนละ้วนา น, นะนแล้วมาเปลี่ยนให้คนอื่นบ้างไปฆากันมาใหม่เหมือนกันมาเปลี่ยนกันอก อ, กนอกไปทยอยกันออกไป มันแ น, น่นเต็มไปหมดยัวเยอะยัวเยอะยัวเยอะมองไปไหนมันจะตายแน่นอนเท่ไร่ห้รอยี่สิบไปเลย ก็แค่ที่แปดตรงนันนั่นก็นยังเรามากอยู่แต่ก่อนนี่จากนั้นมาอีกมันยิ่งมากถึงสามสิบสี่สิบขึ้น 30, 40, 40ไปเรื่อยๆแล้วผลตรงันที่ปากฏนั้นไม่สูงกว่าสามสิบสี่สิบได้มากได้มากนะมันเหลวมากเหลวมากเหลวมากนี่สําคัญที่เหลวมากเหลวมากแล้วผู้ที่มาอยู่ที่นี่ แต่มาอาศัยเอาอำนาจของผมเพย่อกดขี่บังคับหมู่เพื่อนนี้มันจะมีอยู่นั้นในวันนี้นะเราไม่ได้ไว้ใจพระเนี่ะมันธรรมาดาเรื่องกิดเลสมันต้องชอบอำนาจเสมอแหละอำนาจประปาๆเถื่อนๆนั่ น, นไอ้ที่มันจะมาเหยียบย่ําทํานายทําทั้งหลายของกันและกันให้แหลกเหลวไปนนมันมีมิ น, มมนมีเราเคยผ่านเคยเห็นพบเคยเห็นมาแล้วเรื่อง น, นี้มันทําไมจะไม่มีในวัดปรนานบรรดาบิน ค่อยแทกค่อยแสงมาเคยสอนเคยบอกมเพื่อนทั้งนั้นในเรื่องของสิง ท, ที่เป็นก้าสิต่อธรรมมันอยู่ในหัวใจเมันขึ้นไม่ทันไม่ทันเพราะไอ้ทำขึ้นไม่ทันอันนี้ครอบไว้หมดครอบไว้หมด นี่เห็นว่าหมู่บ้านมามากก็ผมก็ฝืนลงมาที่เฉยเนี่ยไม่ได้สบายนะในเอวนี่ทุกวันนี้เป็นมันเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับท่อนไม้มันแข็งเลยเอวนี่มันถ้าใช้ก็เลยวันที่ไปกรุงเทพเมื่อที่แล้วนี่ก่อนหมอเขาชี้บอกพี่บ่าหินปูนมันเกาะก็ดูนี่เต็มไปหมดเอวนี่ยิ่งมากเขาว่าไนันะจึงทําให้เจ็ตเอวนะี่แล้วมันขึ้นบนหลังด้วย ตัวอย่างนี้มันถึงเจ็บเป็นทั้งหลังทั้งเทียวแล้วเจ็บมากขึ้นโดยระดับนะนอนนี่ลุกเวลารุกขึ้นมานต้องไดตะเกียบตะกายได้พยายามพวจะลุกได้ตอนเช้าน่ะเป็นอย่างนั้นปีนี้หนักมากในธาตขันร้อนเต็มทีเจ็บนั้นปวดนี้ขัดนั่นขัดนี่ตามร่างกายไ ม, ม่สะดวกสบายตางแข้งขงกากา็ลุกลั่งนี่ลุกขึ้นเหมืจะก้าวไม่ออกจะล้ม สิ่งนักเป็นนั้นเลยก็เจ็ดสิบกว่าแล้วหน่วยเ็ดสิบสองถ้ามันมาได้ถึงเจ็ดสิบสองปีเอาขนาดนะอีกถ้าปลูท่ามลนำพังในหัวใจเราเองโดยเราคนเดียวตอนนี้เราไปนานแล้วแหละเราไม่อยากดูจอากแบกบอยากขามมันอ่ะจะทาท่ า, ท า, ทาขันขันอืมเพราะ ก็ได้เห็นเรื่องของมันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็ยังไม่เห็นชัดออกปฏิบัติในที่มันเห็นชัดเพราะเอาทําไปวิจาร์กันตามคำกลิ่นเพราะกิ่นวนี้เป็นธรรมทางนั้นขอให้นำธรรมเข้ามาพิจารณากันเถอะมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมทํามมันจะไม่รู้เรื่องของธาตุของขันว่าเป็นยังไงตอนไหนอันนั้นจะมาเพิ่มมาเพลินกับมันอยู่ ตื่ตามาเช่ามามีการนับมือกับแจ้งมือก <Yes, S 2> ับแจ้งอมือกับแจ้งมันคือมีอยู่ตั้งกับทั้งกันแล้วใครก็ได้รับความมิเศษที่สวยจากความมือความแจ้งไม่มากไหนไหนแหละมันเหมือนกันมันยุ่งกับมันอะไรมายินดีเพื่อเพลินอะไรกับมือกับแจ้งกับปีกับเดือนมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดขึ้นจากการนมับระวังการสังสมถุนงามความดีการพุทธปฏิบัติตนนั้นต่างหาก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 แต่แกนแผนผังคือศาสนาธรรมมันแยกกันตรงไหนแยกคือเรานั่นแหละแยกทำท่านไม่ได้แยกท่านตรงไปเลยสู่ความจริงทั้งนั้นตั้งแต่ต้นทางจนกรทั้งถึงปลายทางตรงแนวตรงแนว่วกลมแนวสมกับคำวมาสวคสดธรรมสวัสธรรมตัดไม่ชอบไม่ชอบตั้งแต่ต้นถึงกระทั่งถึงโอษฐ์นี่ทำหรื่อว่าสุดยอดของธรรมนี่เป็นแนวฝ่ายเหตุเป็นแนวทางที่ว่าศาสนาธรรมประกาศสอน ้ดูแนวทาง <c oughs> แล้วเอาแนวทางแห่งธรรมที่เราได้ศึกษาประรบมาทั้งเรียนตามตำลับตำร า, าทั้งสะดับจากได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เอามาแนบสนิทกับจิตใจของเราหนิมันคิดแง่ในแง่ใดถูกอัดถูกทำหรือไม่นี่แน่เรียวว่าดูตัวเองเพื่อจะฝังพึ่งตนเองฝากเป็นฝากตากับตัวเองด้วยอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องมือ จนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เป็นที่แน่ใจในตัวเองไม่มีอะไรเกินใจของเราที่สัมปัตตัญทานกับธรรมละที่จะไว้ใจตัวเองได้ตลอดไปนับตั้งแต่ต้นมาเลยจะขีดเข้าก้าเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นใจตอนตอน้ตนจะต้องได้ฟัดไดเหวี่ยงกันอย่างเต็นที่เต็นฐานนะไม่งั้นไม่ได้เพราะอานาจของกิเลสมันหนักไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสแล้วเราจะว่าภูเขามันหนักเลยนะเราจะว่าแผ่นดินมันหนัก ว่าภูเขามันหนักใครไปแบกภูเขาพอรู้ไหมพอได้รู้ว่าภูเขามันหนักไทยแบกแผ่นดินพอจะได้รู้ว่าแผ่นดินมันหนักพราะฉะนั้นมันจึงไม่หนักสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เคยแบกมันไม่เคยหา ม, มันแต่กิเลส น, น, นี้แบกตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาพบใดชาติได้แบกแต่กิเลสเข้าพบนั้นชาตินี้หีิพบน้อยพบใหญ่นั่นกลางทางพบแห่งชาติจะเป็นกิจ ด, ดวงใดถ้าไม่ใช่กิจของเราแต่ละรายละหลายๆๆนี้ถ้าเราอยากจะรู้ก็เอา ก็จะสอนกันอยู่แล้วนี่ชใช่ว่ า, าใช่ไหมอีกภาคปฏิบัติมีแต่ภาคเข้าจับความจริงทั้งนั้นแหละความจรงิงมันจะเป็นที่หัวใจนี่ไม่อยู่ที่ไหนนะอย่าไปดูมือแจ้งบังที่ว่านั้นแล้วให้ดูตัวตัวเจ้าขอเนี่ยสติสําคัญนะเริ่มไปตั้งแต่สติตั้งให้ดีพยายามมันจะหนักจะเบาขนาดไหนก็ทราบแล้ว่าเราสู้กับกิเลสกิเลสมาหนักขนาดไหนทำต้องหนักไม่หนักไม่ได้ไม่ชนะกันต้านทางกันไม่อยู่ แล้วเราก็พังมันไม่ใช่วิจะพังนะแตัวเรานั่นแหละจะพังมีคำนําธรรมเข้ามาจับเข้าไปมีเรียกว่าพึ่งพึ่งตัวเองด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยขันติธรรมวิริยะวิริยะธรรมเนี่ยเป็นต้นเอาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกํากับมาเป็นเครื่องรักษามาเป็นเครื่องเกาะที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวเอาไว้ให้ดีในตอนต้นนี้ไปเกี่ยวกักายหนักก็หนักเถอะ มันเป็นอะไรเราเคยหนักมาแล้วหนักกับกิเลสหนักกับกองทุกข์ที่กิเลสมันให้เราแบกเราหมเราค้านมันได้เมื่อไหร่ไม่มีใครค้านกิเลสได้แหละอยู่ใต้อำนาจของมันถ้ามันจับภาระโยนใส่หัวใจใส่หัวใจของใจหมดทั้งล่างทั้งใจนี่รับความทุกข์ความทรมานตลอดภพตลอดชาติการได้ไหนมาจนกระทั้งถึงบัดนี้จะมีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสแล้วเวลาจะต่อสู้กับกิเลสทําไมถึงว่ามันหนักมันหนักอืม ยังไม่ต่อสู้ก็แพ้แล้วแพ้แล้วจะทำอะไรกันเราจะหาความมิจฉาศักดิ์ศิทธิ์มาจากไหน้าใจปราศ จ, จากทำแล้วจะหาความสักดิทธิ์ไม่ได้มีแต่ขิดเดสเต็มหัวใจมันตักศิทอะไรมีแต่ความเหลวแหลกแหวกแนวเท่านั้นหัวใจดวงนั้นต้องเอาธรรมเท่นั้นเข้าไปจักเอาเข้าไปไประชิดติด ก, กับตัวของใจอ๋อจริงมันจังนี่การปฏิบัตินี่เราเรียกว่าเราหวังพึ่งเราเราต้องเอาหลักธรรมเข้ามา ศาสนธรรมท่านสอนไว้นั้นเพื่อให้เป็นแนวทางจนกระทั่งหลักธรรมท่งหอาจจะสอนไว้กลมเกลืนเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับใจเรามีสันธิฏิโกเป็นเครื่องตัดสินแล้วเอาละ่ะเป็นลําดับลาดาไปพึ่งตนเงได้เป็นลําดับลาดาเย็นไปเรื่อยๆเหลือกระขั้นสมาธิธรรมไปถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงมุติธรรมไม่มีอะไรที่จะไว้ใจยิ่งกว่าใจดวงที่บริสุทธิ์ ด้วยการฝึกฝนอบรมเต็มเหนียวมาแล้วนี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้ใจดวงนี้เท่านั้นถึงที่ไว้ใจตนเองได้อยู่ไหนอยู่เธอขอให้มันถึงความจริงกันมันมีใครได้บอกใครแหละก็เคยกล่าวให้ฟังแล้วเหมือนเคยเล่าให้ฟังพูดให้ฟังแล้วเหมือนกับรับทานรับทานอยู่กี่พันลายก็เอาที่นั่งรวมกันอยู่นี่มันเผ็ดมันเค็มใครจะไปถามใครอะไรมันก็รู้อยู่ในลิมในปากคนสัมผัสจ้ำพันธ์กันสิ่งที่รับสัมผัสจ้ำพันธ มัน ก, มนก็มันก็มีสิ่งที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเวลาสัมผัสสัมพันสนั้นก็มีมันพร้อมพร้อมพร้อมพจกระทั่งถึงความอิ่มอิ่มไปโดยลําดับลำดับจนกระั่งถึงความอิ่มพอเต็มที่ใครได้ถามใครนั้นก็ระจากกันไปเดิมลำดับนี่ถ้าจะเทียบเรื่องสันติท skating, ิโกก็สารติทิโกยืมหาประสาทเป็นต้นมันรับสัมผัสให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไปโดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึงความอิ่มหนาลําดาบเพียงพอกับความต้องการเต็มที่แล้วนั่นก็หยุดเอง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 ก็ทำนี้เป็นทาที่เคยยืนยันรับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าทําไมเราจะไม่กล้าสามารถเอามายืนยันรับรองตัวของเราเราเป็นศิริตาโคตที่ตรงไหนทําไมเอาจริงเอาจังไม่ชื่อตามครูแล้วจะเชื่อใครก็ต้องปักกันกันตรงนี้สิถ้าเชื่อครูถ้าเชื่อชิเลนก็จงเป็นไปตามที่มันเคยพาเป็นมาแล้วลากไปนู้นลากไปนี่ถลอกปอกเปิืกจนไม่มีเนื้อมีหนังกิดตัวกย็ยังว่าดียังว่าดีแบบกอ ก, บกองทุกมาสักเท่าไหร่รับวามทุกกองทรมาน์ดบ้านหนึ่งคือหนึ่ง มันสร้างกองทุกข์อยู่ภายในหวัวใจมีสังขารละมานสังขารละมานนั้นอะไรพวกสัญญาสังขารยิน ญ, ญาณเหล่านี้ออกเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างเต็มตัวหรือชาตันหามันให้ปรุงตแต่งจนกาเรื่องเหล่านี้สร้างจะ่ืนแต่ไฟเผาเราอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นความลําบากอย่างเย็นเข็นใจเพราะทํางานทั้งวันทั้งวันด้วยการที่การอ่านการปรุงการแต่งเหล่านี้แล้วไม่เห็นพูดแล้วไมเ่เห็นโทษอะไรพอที่จะนําเรื่องเหล่านี้มาพูด เมื่อเราจับสติปัญญาเขาไปจากความภาคความเพียรเขาไปทํำไมมันถึงว่าลําบากลําบากถ้าไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสนี่อยากแหลกไปแล้วนั่นเขาคิดนี่ทำนี้เป็นทำเปเครื่องยืนยันจากพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้งแต่เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ก็สองพัน้าร้อกว่าปีมาแล้วได้ผลเป็นที่พอประทานแล้วจึงนำธรรมอันนี้มาสอนโลกเราต้องเร่งถึงครูสิจะไปเร่งถึงกิเลสอะไรกิเลสมันเป็นครูใครเมื่อไหร่นี่เป็นข้าศึกมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรา ของศัตรโลกคือใครถ้าไม่ใช่เินกิเลสทำถ้ามาเหยียบย่าไข่นักนี่จะส่งเสริมเท่าเดียวเอานา ม, มาที่อานํา ม, มาเป็นที่พึ่งของเจ้าของใชให้เป็นที่อบ อ, อุน่นใจในขณะที่มีสติอบ อ, อุน่นเนาตั้งท่ากันอยู่นั่นแหละไม่มีภยัยในขณะที่การตั้งท่ากันอยู่ตั้งท่าโดยการระมาราาัดระวังทั้งด้านวิ น, นัยทั้งด้านธรรมะและทั้งด้านความเคลื่อนไหวาภายในจิตใจของเรากว้างแคบยึทตื่นญาณละเอียดความคิดความปรุง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 ทำท่าน่าท่านสร้างความไว้ไวจใจให้ผู้นับถือผู้ปฏิบัติสร้างอย่างนี้แหละเรานั้นะเอาไปปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งเสียท่ากี่เดือนเป็นเท่าไหร่เพราะเราไม่มีท่าก็ต้องเสียท่าสิแหลกไปแหลกไปถ้าหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไร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 กูทังคัตตวาสุดของอื่คัตตวาคัตตวะคืออะไรคือค่าค่าค่าฆ่ามันค่าด้วยความเครียดแค้นยิ่งๆเอามันจนพินาศพิหายได้โดยลํำดับดำดาอันนันเป็นที่แน่ใจเจ้าของแน่ใจเจ้าของวันหนึ่งให้อยู่ด้วยความแน่ใจเจ้าของสิอย่าอยู่ด้วยความเลีวไหลโลเลวันนี้ก็โรเลเวไหลแล้ววันหน้าเจ้าความเงินหนามันกลมมาจากไหนวันนี้ตั้งมาไร้ถ้าไม่สนใจจะตั้งย่ออลไรมาตั้งเนี่ยต้องตั้งสิ สติมีปัญญามีไปไหนมาไหนอะไรจะเร็วยิ่กว่าจิตอะไรจะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาทํางานทําการอะไรเคลื่อนไหวไปไหนสติปัญญาทันหมดทันหมดทันหมดนะเพราะอันนี้ เ, เร็วมากทีเดียวสติปัญญา เ, เช่นเดียวกับกิเลสมันเร็วนั้นเอาใจไปใช้มันก็เร็วดีอย่างไทีนี้สติปัญญาก็เอาใช้เ อ, เอาเป็นเครื่องใช้อะไ็ใช้กับใจอีกเหมือนกันเอาใจมาใช้ให้เป็นเครื่องมือ การเป็สติปัญญาขึ้นมามันก็เร็วเหมือนกันวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ด้วยการปกครองด้วยการรักษาตัว ด, ด้วยกันเอาทำมาเป็นเครื่องประกันตัวอยู่ตลอดความเคลื่อนไหวไปมาไม่ละไม่ถอนมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปนับไปอ่านวันคืนปีเดือนยิ่งเรศไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนนะไม่อยู่กับการสถานที่นะไม่อยู่กับเวลามีลาไม่อยู่กับมือกับใจวันอยู่ที่หัวใจนะให้ดูที่ตรงนั้น หมืนกันโลกทิศตรงนี้แถวนั้นมันเคลื่อนไหวตรงไหนให้ดูตรงนั้นอ่ะขาดทุนตรงนี้ได้กำไรตรงนี้แหละมันไม่ได้ขาดทุนถ้าได้กำไรอยู่กับมือกับแย้งเห้ดูตรงนี้นะความเคลื่อนไหวอยู่กับใจดูตรงนี้ดูไปดูไปดูไปมันก็ค่อยเห็นไปรู้ไปรู้ไปนี่เลยมันจะสร้างกําลังมาจากที่ไหนทําสร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําไมสร้างเขสร้างเพื่อทําลายกิเลสกิเลสมันจะสร้างสมตัวกังขึ้นมาจากไหนด้วยวิธีการอันไรวิธีการ เหล่านี้ธรรมะเอามาใช้แล้วนี่ไม่ใช่จะสังหารกิเลดโดยทายเดียวแล้วกิเลสมันค่อยๆหมดไปลง ไ, ไปสงบลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปเรื่อยๆนี่คือว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองาศาสนาท่านว่าหมายความว่าท่านสอนให้มีความเป็นใหญ่ในตัวเองให้พึ่งตนเองได้ด้วยหลักาศาสนธรรมเอานี้ไปเป็นเครื่องมือ ปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศิกมังดามีอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานี้ให้มันนวดมอดลงไปมุ่มอดลงไปด้วยเครื่องมือคือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นแล้วค่อยหมดไปหมดไปแล้วก็อยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความสมหวังวันนี้สมหวังอย่างนี้วันหน้าสมหวังอย่างนั้นสมหวังไปโดยลําดับลำดาเหมือนกับนับทานช้อนนี้อิ่มขนาดนี้ช้อนนั้นอิ่มขนาด น, น, น, นั้ น, ม, น, น, น, นมันอิ่มไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันก็สมหวังไปเรื่อยๆ จนกระั่งถึงสมบังิเต็มภูมิแล้วปล่อยได้หมดหรื <ừ. S 1> อว่าพึ่งอะไรเมื่อ <ừ. S 1> มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไปพึ่งอะไรถ้าวันแล้วก็เป็นอย่างนั้นหรือสมัยนิเศสานนี่ว่าเหนือหรือต่ําวันเหนื อ, อนนนหรือ ใ, ใต้อะไรตกลงตกตอหน่อไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติว่ากันไป มันยังไงในสมมติมันก็ต้องเอาสมมติมาใช้กันมันมันผ่านสมมติไปแล้วเอาอะไรมาใช้มันคืนปีเดือนเรื่องการเกิดการตายความเสลายภาคภาคทางธาตุทางขันเราก็เรียนอยู่แล้วอืการปฏิบัติกรามฐานไม่เรียนสิ่งนี้ไม่ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ปฏิบัติต่ออะไรมันก็รู้ไปเดินระดับบจนกรตั้งถึงรู้รอบขอบฟิหมาแล้วสงสัยอะไรอีกมันจะตายของขงภาคมันนี่เฉยว่าตายตายมันอะไรตาย่รู้กันอยู่แล้ว รู้มันล่อไปแล้วสลัดมันออกพาละพาลาเวรันจากขันฐานความรับผิดชอบนี้ออกไปจากตัวมันจะเสียดายอะไรเสียดายฟืนเสียดายไปเสียดายความรับผิดชอบเสียดายพาละที่มาแบบมาหามไปาหาอะไรสลัดเรามันกระเบาความรับผิดชอบหมดยีเดยาของสมมุติที่นี่ไม่มี ข่าวมาเรานี่อยากให้หมเพื่อนได้เห็นได้ดูนี่ให้ปฏิบัติอย่างที่ว่านนี้ก่อนแม้จะมาไปไหนแหละจะได้รู้ได้เห็นความพึ่งตนเองได้โดยลําดับลาดาลนั่นจะเป็นขึ้นที่ใจนี่มีความอาหารเป็นลําดับลาดาขึ้นจนกระทั่งถึงอาหารเต็มที่เลยจากอาหารเต็มที่แล้วมันก็หมดทาระทุกสิ่งทุกอย่างอนาฬโยนี่หือว่าสุดท้ายมันจะเป็นอนาฬโยปล่อยหมดเลย หาความอะไรไม่ได้แม่แต่ขันพราะม็นสมมุติด้วยกันถูกปีนี้มาแล้วมันอ่อนมากท่ากันหลบปิดตัวไปอยู่ที่ไ่นที่นี่ไล่วันนึวันนึงก็เริ่มที่นี้แล้วนะแก่คนต้องไปปัดเอาไว้ปัดเอาไว้ วเวลาเวลาแล้วค่อยอาจะเล่นด้วยอมันหนักเรานี่นะ ม, มันจะเป็นหนักไข่หนักเราพูดตอนรับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้การตอนรับในเวลาที่ควรให้เท่านั้นไม่ใช่จะแบบพุ่มๆเพื่อเพื่อท้าไม่รู้จักเวลาเวลามันคิดหายไปพวงไปกี่เวลา ม, มันจะทนทานไปได้สักกี่วัน วันไหนก็เทศวันไหนก็สอนก็ดูี่อย่างตอนเช้ามันหันแมันมีเยอะนจะทาไงหากเลยพูดไม่มากก็น้อยอย่นั้นแหละเพราะเวลาน้องนอกนั่นนอกจากนั้นไปแกเดอนแม่ก็ยื่ให้มันไปอยู่ตามสะดวกสบายของเรามันก็เพื่อโลกนั่นแหละมันจะเพื่ออะไรเวลาอยู่มากๆนี่ความภาคความเพียรมันมีแต่ไม่ได้เรื่องนะมันจะเยอะหลายๆหมด เพราะนี่ยทยอยกันออกอยู่มากแล้วไม่ดีแหละนั่นเลวไหน ย, ย, ย, ยัวเยียยัวที่ไหนมีแต่พระแต่เนียเต็มว้านเต็มว่าเหมือนกับตลาดพระทำํำที่จะงอกเงยไม่มีอันขบกันฉันกันจัดนั่งจัดนี่มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้จัดมาก พอเสโอ้โหเรานี่เองปูวดหลังปวดเดียจนจะไม่ไหวแล้วนะยังไม่ได้ฉันมันเป็นแล้วพ้นแล้วจะทำไงหรือว่าพอฉันแล้วลูกขึ้นก่อนพราอจะลุกแรกกับลูกปกัจจุบันอกากมันจําเป็นมันมีเครื่องผูกเครื่รองมัดตัวมันก็ต้องจําเป็นถูถ่ายกันนั่นอยู่นั่นก็ก่อนแหละเถ้าไมพอถ้าพอไม่พอที่จะปิดลำแรกกับล่างปีดไปช่วยระยะ ก, ก่อนมันมีความจําเป็นที่จะพูดในเวลาต่อไป ขนาดนั้นเหนดูสิบินธามาดก่อนอย่มันเร็วเกินไปแิ้วนพอดีบินธามาดเป็นวาดหมายความว่าอย่างไงวิ่งเหมือนชุนักหนึ่ะมันเคยพูดแล้วนะมองดูไม่ไม่สวยงามตาเลยนะ นี่เพื่อครูบาอาจารย์เพื่ออะไรก็เพื่อเกินเหตุเกินผลเกินข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นหลักธรรมอันใหญ่กว่าครูบาอาจารย์อีกนะ่นนั่นดีแล้วหรือทํางั้นทำมาเพื่ออะไรก็หนักผมผมไม่เพื่ออะไรต่ช้าหรือเร็วก็ให้นไปกับเพื่อดีกับข้อวัดทั้งตนบินธบาก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งไม่ใช่ไปหาล้าหารวยในการบินธบากนี่นะ กินกิจวัตรเกี่ยวกขาเรื่องธาตุเรื่องขันพอยังชีวิตที่เป็นไปวันหนึง่งวันหนึ่งด้วยการปฏิบัติดีปริเพื่อของตนเองในขณะที่ไปนะอยู่ไปตามสม า, า ย, อยของเดินช้าเลี้ยวเดี๋ยวนี้หมูพ่นไปแล้วแค่10นาทีก็ออกนะแต่ก่อน1 5บหนาทีออกแต่บ้านไปที่เขาเนั้นแล้วก็สี่นาทีออก แลต่อมาย่นมาย่นมาจนหมู่เพือนออกศินมาทศีออกไปกบพอนีนี่มันเป็นน้ำมันเองยัาไปแล้วไปแบบสบายเราเราะมันนิจใ้อย่างนั้นเลยไปคนเดียวพิจารณามีมีผลอะไรมันเป็นน้ำมันเองนะในจิตนี่ไม่ต้องบอกแหละมันเป็นอัตโนมัติที่จควรพินารณาในทำแนใดแหนใดแหนใดมันเป็นน้ำมันตัว เพราะฉันจไม่ต้องการความจุนจ้านเดินแบบนี้จุดจัดจุดจัน เ, เต็มไปหมดถ้าไม่จำเป็นเราไม่จำมเป็นการโรกการฉันก็ให้ดูให้มันทํามันสวยงาม การฉันก็ดูดูหมู่ดูเ่นไม่ค่อจะสวยง้ำนะถ้าไม่มีสติถ้ามันดูไม่น่าดูแหละคนมีสติต้องปฏิบัตสิสัญมีมีความสําคัญในบาตตาก็จ้องลไปในบาตไม่เถือไม่มองนู้นมองนี่ลักษณะเคี้ยวกระเถิลมือมองนั่นคือมีสติขณะที่เคี้ยวมองลูกก็ลุย ด้วยความมีสติมองไปมันก็งามตามองเห็นทไม่จาเป็นที่ต้องมียานอะไรอย่างทราบและเหยาะอ่อยนะน้าด้วยความเผยสติหรือด้วยความต่อยตามเมทิงของกิเลสนั่นก็รู้นีนนเ่เคี้ยวๆไปนั่นตาหมือมองไปแบบไม่มีสติสตังนี่นรู้ไม่ได้นะเราเป็นลูกศิษย์าวโคตยาขายขู่ ขายศาสนาด้วยจีราอาการเหานี้ซึ Course, Course ่งไม่เป็นของยากอะไรเลยนี่พอบพอบืนได้แท้ๆนี่นะการทำนั้นจ่เป็นการทอทุระไม่สนใจจริงๆก็ปรับทุกคนนี่ว่าไงการฉันเ่งบอกในเสด็จยี่บั้นขาดความตั้งใจขาดความม่ใจใสอย่างเดียวก็ปรับแล้วนี่ันเป็นของดีแล้วเรือนั่นก็บอกว่ามันเป็นตุบาทหมอปัตตสุนีปตตุญีปีนนป่างก็บอก่า ตลอถึงการรับบาตรก็มีทำความสาคัญในบาตรการฉันก็าำความสำคัญในบาตเนี่ยประจักษิ่งีจะหมายถึงอะไรมีจิตมีความสาคัญมีความรู้สึกอยู่ในบาตนไม่ไปรู้สึกกัส pattern, if, ิ่งอื่นสิ่ใดกันหมอกความหมายว่าอย่างนี้เน้นัญหาเน้นออกมาประชาชนปัญหาเน้นออกมา ทีแรกมันจะมันทําให้โรเล่เลี้วหลายไปเรื่อยก็จางนี้มือมันมากต่อมากแล้วมันก็ค่อยเลีวไหลไปทีเรื่อยน้อยไปพระเนียนหนวนกันมากฆ่าเข้ากันเข้าไปเลี้ยวไหลเพราะายต่ํามันอํานาจมันมากกว่าไฟสูงเน่้อคืออรธรรมอํานาจมากกว่าธรรมมันนักเป็นไปอยู่ในนั้นเนี่ยไม่เจตนาตั้งใจให้มันเป็นมันนักเป็นเพราะมันเป็นอัตโนมัติเข้ามันอยู่แล้ว ยิ่งประชาชนน่าโยงเขาจะเอาหลักธรรมหลักวิสัยหลักกฎระเบียบมาจากไหนความพยายามไม่สวยงามมันนไปตามเรื่องนะเสียงอันหนึ่งเจ้าของพูดปากเจ้าของกับหูเจ้าของมันอยู่ในจุดเดียวกันนี้มันน่าจะได้ยินเจ้าของพูดออกมาจากปากของกับหูของอยู่ใกล้ทาไมมันไม่ได้ยินไม่สนใจไม่สะดุดเสียงเจ้าของบ้า นี่อยู่กุตินู่นเสียงมันสะดุดสะดุดสะดุดเราดูคนเดียวเราติไกลไหมก็ตินู่นกับปากกับหูของผู้พูดนะั่นทั้งครัวพูดอยู่ในทิศลานี่ทั้งครัวกับเราที่ฟังนันฟังไม่ได้นะมมมมึงมึงออะไรเลิกอะไรคนนี้สติจะตังค์ทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย นั่นอย่างเขนั้นอย่างตรงนั้ น, น, นไม่ได้ไหนเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเครื่องสังหารสิ่งไม่ดีทั้งหลายนอันนี้ไม่มัมนอันนั้นก็กขึ้นอยู่สิถ้านี่มีมันจะไม่ขึ้นขึ้นก็ขึ้นด้วยเจตนาสมควรกับเหตุกับผลที่จะหนักเบาในเสียงขนาดไหนมันขึ้นด้วยด้วยสติขึ้นด้วยความจงใจมันก็รู้มันกับเข้าใจกันอนขึ้นในความไม่เอาไหนนี่ที่ไม่ได้สนใจ หาสติสต so <Ừ. S 2> ังไม่ได้นดีมันเสียตรงนี้คนบวชในมืองเหมือนกันถ้าบวชลูกขึ้นยิงไม่ได้จี้ผมาพูดเรื่องแถวนี้แล้วไม่ได้เพื่อนมากต้องทบางๆผมเพราะตอนผมนี้ก็ประชุมอยู่บังของ กางวันก็เดิน ม, ม า, มาแล้วก็เดินนะกให้ดีถ้านอนนักนะหลังก็แข็งนีม่มีแต่สีมั ง, งคับนะความเดินมากหรือีอันนี้แสดงนนักมากมันก็เพี้ยอหนึ่งแต่ถ้าทันันก็ดีมันอ่อนไปเส้นไปแต่มันก็รู้สึกเพียเ้ยงเหมือนกลางวันก็ได้อาศัยนักสตหลังนะ เขามีรถมากทางนู้นมันสั้นนิดเดียวนี่เขาข้นสายข้างไหน น, น, น, นันน่ก็ไปเดินสั้นนิดเดียวถ้าอะไเป็นจริงมันก็ขับไปละแล้วเดินสายกฏิหลังเล็กนี่นกุฏิภาสดุนะเวลากลางี่างวันมันเดินได้สบายนีนยิ่งตอนบ่ายขนหนียนีพอเหมาะเลยไม่มีแดดนี่เดินนะ ไอทางเนาเนี่ยมันไม่มีลมมันเดินไม่ได้แดดยิ่งตะวันมากกลางหัวนี่แล้วมันรุนแดดเนาะเดี๋ย ว, วนี้ท่านยุคมันจะไม่ลบหมดเลยหรือหรือวัดป่าพันตาเรามีแต่ภาคขี้เกียจไม่กล้าไม่เดินไม่เป็นงนั้นหรอเวลานี้ท่านยุคมันจะไม่มีเแี่ย มันจะมีแต่ทางหมอนทางเสือไปนั่นแหละทางโยมไม่มีเลยสงภายนอกผมไม่ยาวุ่นอะไรมากผมไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษทวิโสยิ่งกว่าการฆ่ากูดูนะนี่จิตมันตักอยู่นั้นตลอดตอนนั้นถ้งนึื่อว่าหมู่พื้นด้วยนี่เราไม่เห็นความวิเศษวิโสศักสิทธิอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นโลกเขาก็ทำได้นั่นคอความเฉพาะเวลาจําเป็นจริงที่ทำเรื่อยๆน้อยจนอันตรนี่ ส่วนข้าวกิเลสไม่เอามันไม่ถอยนันก็เคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่มันถือเป็นสาระสําคัญมากคือเดือยอะไรจะขาดตกบกพรองเอาขาดไปบกพ้ขของไปสิ่งนี้มันมีบิดประจําโลกแต่เรื่องความเพียรเพื่อจะฆ่ากิเลสนี้เอามาให้มันบกพ้ขของนี่ต้องปกอักจิตลงตรงนั้นเลยมันชินแบบเอาแบบหนึ่งต้องหาวาิธติปัญญาแม่งอั้นไม่เหนือกิเลสแล้วสู้ไม่ได้มันเดืยอยอยู่และ การประกอบความเพีพยรก็ต้องใช้อุบายต่างๆหลายแบบหลายสันหลายคมนะองจะเอาแบบเดียวคมเดียวไม่ได้อ่ะเร่การ น, นั่งภาว น, นาตอนเชา้ามันมน่าจะง่วงตอนเช้านะนั่งภาวนาลงเดินนี่พลิกหนงไปพิกหนึ่งมา มันจะหมดแล้วเดนนี้จะไม่มีผสืบผู้ทอดมรดกของครูว่าอาจารย์ลวงไปลวงไปนีแตวของดีล่วงไปของเลวเต็มมัดเต็มบ่าเต็มผ้าเต็มเหรีมันใช่ได้ไงนะี่เดือนนี้จะหมดแล้วนะแต่เราไม่ตั้งหลักของเราเพื่อพึ่งตัวเดือนที่มาตั้งแต่บัดนี้แล้วไม่ได้นะ ในที่ไหนก็ขาเป็นความเจียวกันลงใสพกะมาฐานสายหลวงปู่มั่นคนระับหลวงปู่มั่นบางนีก็นอนหลับทับจิตเลยโออาร์มันไม่รู้ตัวนะมันนดนเรื่อในลาวอะไรเรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันทําคันมากนะมันเป็นข่้สุดอืม ไม่ทราบเป็นยังไงมันไม่ชินนะครับสิ่งนี้เพราะมันเคยทําทำลายความเปลี่ยนตัดทอนความเปลี่ยนของเราอย่างน้อยให้ยาช้ามากกว่านั้นกล้าไม่ออกถ้าลงสิ่งนี้เขาไปกวนใจแล้วกล้าไม่ออกสิ่งก่อสร้างวัตถุอารมณ์ของกิเลสนั่นแหละคือว่าอารมณ์ของอัตของธรรมที่ไหนเลย อ, อารมณ์ของกิเลสความของบนญวุ่นวายมีเด็กดูดงแต่ตความเคลื่อนไหวของ ของกิจที่มันเคลื่อนออมามันเคลื่อนออมาด้วยอํานาจของกิเลสผลักดันออกมาหรือเป็นเรื่องของธรรมผลักดันออกมาส่วนมากเราทั้งน้อยมันมีแต่เรื่องของกิเลสผลักดันออกมาเราไม่เห็นนี่เราต้องตั้งสติไว้มันก่อนพอ้าพพออย่างมันไปจนถึงขั้นเรียนร่างไว้หนึ่งทีมันถึงได้จรียเห็น โทษของยิวอย่างชัดเจนถึงขั้นลั่งเอาไว้ลั่งความเพียรไม่งั้นมันจะเลยเถิดมันพิลึกเกินไปนั่นแหะเราจรึงได้เห็นโทษของยิวทัดเจนมีความเฉียดข้านความอ่อนแอท้อแท้เลื่อยๆมันไม่มีเลยมันมีแต่จะถึงถึงถึงถึงเวลานอนมันก็ไม่อยากนอนจะว่างไงมันเพลินกับการข่าเจรึงเวลายืนเเวลานอนเวลาดับเวลาไหน มันไม่อย่างหลับเดียหน่อนไม่ว่ากลางคืนกลางวันแบบเดีวยวกันหมดของเราังดิวะละติวะนี่แต่เมือกลับแก้งกั้นัน้นนะละติกลางคืนยว่ากลางวันเนี่ยนีมือกลับแก้งกันนั้นเนี่ยมีอะไรจิตมันหมุนลงไปนั่นดมันไม่ได้สนใจกับอะไรลนะ แล้ที่นี่ทำไมจะไม่เห็นทั้งหมทั้งสิส้นว่ามันมันเป็นตัวจับตัวจองตัวผูกตัวมัดเรามาสักเท่าไหร่ความที่แกียจี้านอ่อนแอท้อแท้เลืยไหลอำนาจวาสนาน้อยมันหาเรื่องหาลาทุกอย่างทุกงงมีแต่กิเลสทนั้นมาถึงขัน้นแล้วมันไม่มีอะไรมามีพันธะว่าเพลินพันธะว่าอุทจจะอุทจจะสังโยชน์เบื้องบนอุทจจะสังโยชน์ก็คือเครื่องข้อง สิ่นี้มันก็ยังเป็นสัมพันธ์อยู่เมื่อรู้มันไม่ทันเกณอุทจจะหมาก็วามว่ามันเพลินเกินตัวจิตมันเพลินเกินตัวไม่ใช่อุทจจะความเพลิดเพลินแบบโรคทั่วไปอ ย, วอย่างนี้บอนอุทจจะภูเก็ตความผู้ส่านทำคานนันไมไ่เป็นอย่างนั้นอุทจจะในทั้งยศเบื้องบ น, บนก็คือความเพลินในความเปลียนของผู้บำเพ็ญธรรมในขั้นนั่นเอง เพลินตลอดต้องในบังคับให้พักวิธีบังคับตั้งกรสอนไว้วิธีให้พักท่านเครียดกับการเขารบการรบสงครามในหนังสือก็มีเวลาออกรบให้รบเวลาเข้าพักผลก็ให้พักเขามีแต่รบชาติเดียวก็ไม่ไหวควรจะพักเดินๆรับทานถักหลับนอนก็ให้พักว่างมันนั่น หนังสือวิธีปฏิบัติเพาะยึดตับภาวนาถ้าสหรับผู้ปฏิบัติเองเนะมันจะมันจะคงจะระ้าวกันนั่นแหละผมเห็นโทษของผมเองเขาท่านๆอยู่ของกระเรียนมาก็เห็นท่านท่านว่ายอย่างนี้ท่านสอนวิธีสอนแบบวิธีการรบวิธีการต่อสู้เขาพิเรยวิธีการประกอบความเปลี่ยนไว้ให้พอเหมาะอสมทั้งก็บอกเวลาพักภาพคือพักเนี่ย สมาธิเข้ามาพักในเรือนสมาธิออกตรงนั้นก็ออกคือหมายอออกา็ออกพิจารณาออกครบหนึ่งคือออกพิจารณาทางปัญญาฉันบอกว่าชัดเจนนะในธรรมว่าคนผู้ปฏิบัติจิตตพรนะแต่เวลามันเข้าไปตลุมบอนกันแล้วมันใครจะไปไ ป, ไปนอนอยู่ในจิตตลุมบอนวะนี่กับยิ่งเลศนี่ยมันถึงขั้นหมุนตีกันแล้วนั่นแหละคือว่ามันตลุมบอลกันแล้วใครจะไปนอนอยู่เวลาตลุมบอลมันจะไปนอนหลับเหนือ นั่นเห็นมันเอาใหญ่มุ่งเดี่ยวเดี่ยวเมันเลยเถนมันก็รู้มันความความอยากอย่างนี้มันสาคัญมันดึงไปแล้ยว่าอะไรมุ่งมั่นความอยากมันมีกําลังฉุดเราไปข้างหน้ามันมีกําลังมากพูดได้เท่านั้นไงเมื่อแต่ก่อนมันมันถอยมีแต่ถอยหลังหลังที่เด็ดลากกลับปืน ที่นี้ทํำลากกั น, นทั้งนั้นเลยที่ได้เห็นโทษของกิเลสบาสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นหน่ออัตเลี่อนเปลี่ยนไปลรื่เวลาอย่างนั้ น, น, ยยนอย่างนี้เชสายบายเย็นหน่อยสำคัญว่าฐานะน้อยกิพัญญาไม่มีอืออกคาเพีย้ยนก็เกลียี่ีข้านท้อแท้อ่อนแอสุดท้ายก็บักปรรนิพพานไม่มีไปเอบอืมแก่กิเลสไม่ใช่ฐานะ ที่เดชมัดคอมันขึ้นเป็นฐานนอะมันไม่ได้ว่ามันีพอไปจะแก้กันบ้างนนถ้าเป็นเรื่องของที่เดชมันยอมเลยยอมเลยการประกอบความภาคเพื่อแก้ที่เดชกี่เดชมันเลยมันกลายเป็นของมันไม่ใช่ฐาน่ะของเราที่จะต้องทําไปแล้วเพราะที่เดชมันมันเอาไปกินหมดตับไม่มีท่าทั้งอกไม่มีตับเอาตับก็ามาใส่บางที่สติปัญญาฝ้าอย่าแบบ น, นั้นอืม มัดคอกิเลสลงไปมันพังไปกินตับกิเลสไปอย่างนั้นอร่อยยิ่งกว่าอะไรกินตับกิเลสแม่กลายมากลายเป็นปุ๋ยแล้วนะทายิ่งมากกว่ามากเลยกิเลสมันกลายเป็นหินรับปัญญาเข้ามานยู่ะเวลาปัญญาพอตัวเป็นอย่างนั้นน่ะอะไรๆเป็นปัญญาหมดเป็นธรรมหมดถ้าถึงขั้นเป็นธรรมทิศเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเวลามันเป็นกิเลสอยู่นั้นอะไรมันเป็นกิเลสไปหมดไม่รู้ตัวนะเพะมันละอียดทุกคนระแบบิ แต่สุดท้ายก็ทำาับตัของเอยดเนื้อกิเลคนนั้นจะเียกว่าโลกุตระธรรมคือมันเหนือเหนือโลกโลกก็เือกิเลนแหละพูดให้ได้นม่มันเป็นไอ้คนกิเลกมัดคออย่นั้นพูดกิเลสมันมัดคออย่า ง, งั น, ม, น, น, น, น, น, น, นมันมันละไม่ปล่อยไม่พี่คลายเลยในขอพูดให้ฟังกันพูดกบพูดกิเล็มัดไว้ ถึงเมื่ออยู่ในระยะของมันมันเป็นอย่างนั้นแต่ถึงระยะของมันที่จะวิ่งหาที่หลบที่ซ่อนแตกแม่แตกลูกบ้านแตกสาแตขาดมันานถังมีถึงขั้นนี้มันเป็นอาจาของนั่นแหละผู้ปฏิบัติคนนั้นแหละมันจะเห็นเองรู้เออย่างที่ผมพูดตะกี้นี้ผมตายไปแล้วกตามสนนขอให้มันเต็มขึ้นในจิตของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเถอะคำํำคือผมพูดนี้มาจะสดสดร้อนร น, นะตายต า, ตายัปงนสเดือนล่างอันนี้แหะ ไอ้คำพูดซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันกับอยู่ในหัวใจของของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะั้นนั่นแหละมันไม่เป็นอดีตอนาคตมันเป็นของจริงด้วยกันเข้ากันได้สดสดร้อนๆอย่างที่ว่าสอดคาตามสอดค้ธรรมเนี่ยสดขนาดไหนร้อนขนาดไหนทำผู้ยากที่แต่ไม่ชอบแล้วชอบแล้ ว, ลวนี่สดสดร้อนๆสดสดร้อ น, อนเพราะเป็นความจริงเท่านั้นกับการปฏิบัติของเราที่เป็นความจริงด้วยกันเข้าได้สนิทสนิทไม่มีอะไรเป็นการสถานที่ในระยเวล า, ลาพอที่จะห่างเหินกันเลยนี่อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พูดอยู่นี้เมื่อจี้มันเข้ายอมรับแค่อย่างเดียวเท่านั้นเน พอมันถึงขั้นทุกคนจะยอมรับมันรับเองแล้วมันเชื่อเองถึงขั้นมันไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อว่าอะไรมันจะดื้อด้านกับกิเลสนีหรือว่าไม่มีอะไรดื้อด้านเหนือกิเลสไปได้หรอขึ้นชื่อว่าอยู่ในสามแดนโลกธาตุอันเป็นแดนสมมตินี้ประกาศสู่หลวงปู่คำดีแนะมันอดคิดไม่ัม่นจะดุจ ว่าอาจารย์ที่หมักที่ดองไว้ยัางมันเขามาสะท้อนเอามาหาศพเรานี่ามาทุเลศแล้วยังไม่ตายนะผมทุเลศแล้วนะอ๋อนี่พระจ้ค่อยทำเลยอาสดาองค์เอกอุทธังกนังกระฉามก็มีเลวยวพระเจ้าเป็นผ่านไมจิตวันเท่านะั้น ก็ตวับเกินกันแล้วมีอะแล้ว น, นี่จะเอาไว้อะไรแข่งครูแข่งอาจารย์แข่งศาสดาไปหาอะไรนี่คือทำมันโลกมันก็เหยียบย่ำทำลายธรรมม่อเป็นยังไงกามความเห็นของโลกของศาหนึ่งมันก็เป็นโลกไปตลอดดิมันจะเป็นธรรมได้ไง เอาทำทำก็เอานี่ลงลงไปดิฟืนมีเอาไปเผ า, าเลเพราเผาได้เงินได้ทองเมื่อไหร่เผาคนเผาพระเอาเอาฟืนอย่างนั้ น, นเผาทานก็มาจากฟืนเนี่ไฟนั่นแนะ่ะเขาก็ไม่ไเอาเงินเอาทองไปเผามีอะไรตกเบ็ดหาปลาอยู่นั้นตลอดเอาครูบาอาจารย์เป็นเบ็ดเป็นปลาล่อเป็นเป็นเบ็ดล่อปลาคุณเงิน โลกาภิทธฮะทุเล จ, จริงนะอา้าวนี่มนเป็นในหัวใจนี่นี่มันเป็นสิ่งที่ควเป็นไปได้ครับผมจะตายคนเดียวผมแสนสบายเลยผมพูดอย่างนี้นะพูดเต็มหัวใจเปิดอกเลยผมไม่ได้เคยสนใจกับอะไรอะว่าผมจะตายแบบไหนแบบไหนกับใครอยู่ที่ไรอะไรอยู่กับผมนี้เกี่ยวกับเรื่องบริษัทบริวารพระเนรเถจี รัฐประชาชนที่จะมานับถือมากน้อยผมไม่เคยมีแมสซายของผมไม่เคยปรากฏในหัวใจผมเลยอย่างไรจะสะดวกในเ ว, าวาลาสุดท้ายของเราอั่อนทอนั้น เ, เอาลงตรงนั้นเลยตายคนเดียวตายอย่างส บ, บายส บ, บายหายห่วงทุกอย่างเลยถ้ทาทั้งเทียงไม่ตายมันก็หายห่วงมันมันอยู่คนเดียวตายคนเดียวนะ่ะไม่มีอะไรมากวนเลยเราจะหวังอะไรน์ก็รุ่นแล้วนะว่ามัน หมดกําลังมันเนี้ยธาตุขันนี้มันจะไปอยู่แล้วโอ้มีแต่ทำหน้าที่ปล่อยมันเทนนั้นอืมความยืงเหยื้อุ่นวายที่รับผิดชอบกันมาตั้งแต่ตเอ้าปล่อยแค่ในวาระนี้ให้แขนสบายอย่างูอย่างง่ายว่างั่นเลยมันมันไม่เต็มส่วนก็คือว่าอันนี้ควรธาตุขันพลาฮาเวมันมีตั้งแต่ต้นทั้งมีอุปทานในอุปทานมันก็เป็นพลาฮาเวอย่างพระลานนั่นก็เป็นพลาฮาเวในขั้นรับผิดชอบเหมือนกันเน คนเราเป็นพลาวเวททั้งความรับผิดชอบทั้งความยึดความถือความห่วงใยเสียดายความเมืองความห่ว ง, ววงท่านไม่มีแต่ความรับผิดชอบมีสันตทนิญาณความรับผิดชอบมันมีประจําอันนี้นเหมือนเดินไปตามทางอย่างนี้พลาดลื่นอย่างนี้จะยอมรับมือ ง, ง่ายหรือไม่ว่าปุถุชนไม่ว่าพระหรหันการช่วยตัวเองนั่นสัมตทิญาณมันเป็นทั้งมันเองอย่างนั้น จะพลิกตัวทันทีทันทีจกนกระทั่งถึงว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงจะยอมลงถ้ามันถ้ามันยังจะพลิกตัวแก้ช่วยตัวเองได้อยู่แล้วจะไม่ยอมหกล้มกลมกล่าวง่ายๆอันนี้คือสันสัตญาณจะเป็นเหมือนกันหมดครับทั้งพระหรหัตทั้งบุตรชน ม, มีการสันสาตญาณที่รับผิดชอบตัวเองก็เหมือนอย่างนั้นแต่จะให้ยึดมั่นถึงมั่นทันอันนั้นมันก็หมดปัญหาแล้วจะไปพูดอะไรอะไรพาให้ยึดเนี่ย เพเมื่อคิดเลยมันสิ้นไปหมดแล้วจะเอาะไรมายึดทำใ้มันยึดมันก็มายึดจะงอะไงมันไม่มีสิ่งพาดยึดเ่ยแต่สัญชาตญาณธรรมชาตินี้มันมีตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นต้อมาเดียวเสียดายไม่เสียดายมันก็เป็นเนี่ยที่มันมันเหมือนกันระหว่างปุถุชนกับพระราหานี่เหมือนกัน ความรับผิดชอบตามสัรชาติาันต์ตัวเองแต่ละแต่ละขันละขันเหมือนกันเก้าวท่าลงไปนี้จะไปเหยียบแล้วมองไปนั่นน่ะรากไม้มันเหมือนตับงูก้าวไปนี้กำลังจะเหยียบนี่เข้าใจว่า ง, งูนี่จะโดดถึงทันทีเลยนี่ปุะชชนกับทหารจะเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็นกคือจิต ประชนมันจะร่อนวูบเลยมันตกอกตกใจภายในหัวใจนี่แต่พระราห์ท่านไม่ยักเดียวท่านพุ่งนั่นยกมันคือความรับผิดชอบโดดเหมือนกันแต่จิตไม่ไหว น, นั่นต่างกันเท่านั้นต่างอยู่ภายในจิตเท่านั้นแต่กิริยานี้เหมือนกันรื่นเนี่ยไม่ยอมล้มเหมือนง่ายแล้ว อนนัลูเ ว, วยู่ด้วยกันนะกนคนหนึ่งทำหนึ่งคนหนึ่งทำหนึ่งใครทำทำดูกันสิมาทึกษาผมมีตามมีมือมีถ้ามีจัดทำช่วยกันอะไรช่วยกันนะครับดมาจนแนีเกือบชั่วโมยงยไม่ถึงท่วโมงม